เรื่องนี้ส่งเข้ามาจากคุณนบค่ะโดยคุณนพเล่านะคะว่าปกติแล้วคุณนบเองจะไม่ค่อยเชื่อนะคะว่าเรื่องผีเนี่ยจะมีอยู่จริงแต่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะคะเพราะว่าคุณนบได้เจอแบบจะดจัมากับตัวเองแล้วโดยคุณนพขอย้อนกลับไปเมื่อ5ปีก่อนนะคะ เขาได้อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งทางตอนล่างของจังหวัดบูรีรัมย์หมู่บ้านจะอยู่ห่างจากตัวเมืองไปประมาณ20กิโลเมตรค่ะมีต้นไม้ล้อมรอบหมู่บ้านเต็มไปหมดแล้วก็มีวัดเล็กๆอายุเก่าแก่พอๆกับหมู่บ้านอยู่ด้วยซึ่งคุณนกเองก็อาศัยอยู่กับพ่อแม่แล้วก็น้องชายแล้วก็จะมีเพื่อนบ้านคนหนึ่งนะคะชื่อตะเด่นบ้านของคุณนกกับบ้านของตะเด่นเนี่ยก็จะอยู่ติดกัน ตาเด่นแกอยู่ตัวคนเดียวค่ะลูกเต้าไม่มีส่วนภรรยาของแกก็เสียชีวิตไปแล้วนะคะด้วยโรคประจําตัวตั้งแต่ยังสาวๆแกก็เลยกลายเป็นพ่อแม่มาจนถึงทุกวันนี้ด้วยบุคลิกของตาเด่นแกก็จะเป็นคนเงียบๆไม่ค่อยพูดค่อยจาไม่สูงสิงกับใครนานๆทีนะคะแกกับคุณนกเนี่ยก็ถึงจะได้พูดคุยกันถามสารทุกขสุขดิบกันบ้างและแกก็ค่อนข้างที่จะเอ็นดูคุณนกเหมือนลูกหลานคนนึงเพราะว่าแกก็เห็นคุณนกมาตั้งแต่เป็นเด็กนะคะ จนกระทั่งเช้าวันหนึ่งค่ะมีคนมาบอกว่าตะเด่นแกเสียชีวิตแล้วซึ่งตอนนั้นเนี่ยคุณน้บอกว่าตกใจมากแต่ว่าก็คิดว่าคนเราเกิดแก่เจ็บตายก็คือเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็ด้วยความที่ว่าตาเด่นเนี่ยแกอยู่ตัวคนเดียวผู้ใหญ่บ้านก็เลยให้ชาวบ้านทั้งหมู่บ้านเนี่ยคือมาช่วยกันจัดงานศพให้นะคะโดยให้แกจัดงานศพให้แกที่วัดของหมู่บ้านเพื่อความสะดวกโดยจะสวดศพสามวันแล้วก็ค่อยทาการชาปนากิจค่ะ สวดศพคืนแรกผ่านไปด้วยดีค่ะคุณน้องบอกว่าไม่มีอะไรเป็นปกติดีทุกอย่างชาวบ้านก็มาช่วยงานศพของตะเด็นเรื่อยๆพอสวดคืนที่2ก็มีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นซึ่งในขณะที่พระกาลังสวดอยู่อยู่ๆไฟก็เกิดดับวูบลงไปชาวบ้านในงานนี่ร้องฮือกันขึ้นมาเลยทีเดียวคือมันมืดหมดทั้งศาลานะคะมีเหลือแต่เพียงแสงจากเทียนที่จุดหน้าศพเท่านั้นคือไฟดับนานทีเดียวค่ะจนชาวบ้านต่างทยอยกันกลับบ้านหมด แต่ว่าพ่อของคุณนบเนี่ยได้บอกว่าคุณนบต้องนอนเฝ้าศพเป็นเพื่อนเนนนะโดยที่คืนนี้เนี่ยจะเหลือแต่ว่าคุณนบกับเนนแค่สี่รูปแล้วก็ลุงสับเปรเ่ออีกคนเดียวเท่านั้นซึ่งคุณนบก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยคือไม่ได้เชื่อเรื่องพวกนี้อยู่แล้วเขาก็เลยบอกอะโอเคนอนก็นอนนะคะเขาก็เลยนอนกันอยู่ที่พื้นศาลาหน้าลงศพนั่นแหละ จนกระทั่งราวๆตีหนึ่งกว่านะคะขณะที่เขากําลังกึ่งหลับกึ่งตื่นก็ได้ยินเสียงเหมือนคนเคาะลงศพเสียงดังแบบประมาณนี้นะคะซึ่งเขาก็กําลังง่วงเงียก็เลยไม่ได้สนใจอะไรก็คิดว่าคงเป็นแมววัดมาหากินหรือว่าอ ะ, อะไรสักอย่างหนึง่งแล้วเสียงก็เงียบหายไปพักใหญ่พอเขากำลังจะงีบหลับอีกครั้งหนึ่งเสียงมันก็จะดังขึ้นอีก ข่าวนี้คือมันดังตลอดเวลาไม่หยุดเลยจนคุณนพเองก็รู้สึกว่ามัไม่ไหวและวต้องเปิดพ่อห่มขึ้นไปดูละคือหันหน้าไปปุ๊บคือเห็นว่าเป็นผู้ชายแก่คนนึงยืนหันหลังให้หน้าลงศพผม ก, ออบบก็เออคุณนพบอกเออนะคะลุงสับ ป, ปะเลอแกคงได้ยินเสียงเหมือนกับผมอ่าก็เลยเดินเข้าไปดูละมัง้งแต่พอหันกลับมามองตรงที่นอนปรากฏว่าลุงสับ ป, ประรลอแกก็ยังคงนอนอยู่ข้างๆนี่แหละรวมถึงเนนอีก4รูปโอ้ х, ครบเลย จังหวะนั้นเขาก็เลยบอกว่ารู้สึกกลัวขึ้นมาทันทีก็เลยค่อยๆดึงพ่อ่มขึ้นมาปิดจนถึงจมูกแต่ก็ยังคงเปิดตาเอาไว้แล้วก็ลองหันไปมองอีกครั้งหนึง่งก็ยังเห็นผู้ชายคนนั้นแกค่อยๆหันมาแล้วคุณนบเขาบอกว่าโหผมตกใจมากเพราะว่าสิ่งที่เห็นนั่นคือตะเด่นตเด่นครับตะเด่นจริงๆ ถึงมันจะมืดไปนิดนึงแต่เขาจําได้แม่นเลยว่าเนี่ยคือตาเด่นเพราะว่าแสงเทียนที่จุดตรงหน้าศพเนี่ยมันส่องให้เห็นใบหน้าของตาเด่นได้ชัดเจนและสิ่งที่ทำให้แทบช็อกจนเกือบหมดสิ้นของอสิ้นสติเลยก็คือตาเด่นแกหันมาจ้องแต่ว่าตัวแกไม่ได้หันมาด้วยคือลองคิดภาพตามคือหันมาแต่หัว แต่ว่าตัวยังคงหันไปที่เดิมเขาบอกว่านี่แหละคือภาพนี้ติดตาเลยแล้วก็รีบนอนหันกลับมานอนคุมโปงตัวสัน่นแล้วก็เหงื่อท่วมตัวเลยครับอ่าแล้วผมก็รู้สึกว่าแกค่อยๆเดินเข้ามาทางผมพร้อมกับได้ยินเสียงคนสวดมนต์พึมพำอีกด้วย ก็เลยตั้งสติพูดไปว่าตาเด่นอย่ามาหลอกนบเลยนบกลัวเดี๋ยวนบจะทำบุญไปให้จากนั้นเสียงที่กำลังเดินเข้ามาก็หายไปส่วนคุณนบเนี่ยเขาบอกว่านอนหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้คือตื่นมาอีกทีตอนเช้าเขาก็เลยเล่าเรื่องทั้งหมดให้ลุงสับ ป, ปะเดิล ฟ, ฟังสับ ป, ปะเดิลก็บอกว่าเมื่อคืนข้าก็เห็นไอ้เด่นมันมายืนอยู่หน้าโรงตั้งนานข้าก็เลยสวดมนต์อยู่อย่างนั้นไม่กล้าปุกเองกลัวเองจะกลัวไม่คิดว่าเองก็เห็นเหมือนข้า คุณนบบอกนึกในใจอ้อเสียงสดมนเมื่อคืนนี้คือเสียงลุงสัปปะเร่นี้เองพอเรื่องนี้รู้ไปถึงหูชาวบ้านค่ะต่างก็ขนลุกไปตามๆกันจนถึงวันที่3ที่ได้ทำการชา ป, ปนากิจศบตะเด่นไปเรียบร้อยแล้วแล้ววันนั้นคุณน บ, บเองก็ได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ตะเด่นด้วยเช่นกันค่ะ คุณผู้ฟังคะยังมีเรื่องแปลกๆอีกนะคะที่ส่งเข้ามาจากทางบ้านคะ่ะโดยคุณตังเมนะคะส่งเรื่องนี้มาเป็นเรื่องของสารทางเปลี่ยวนะคะคุณตังเมบอกว่าเป็นคนจังหวัดศรีสะเกตคะ่ะ เมื่อประมาณ7ปีก่อนคุณตังเมกับเพื่อนคนนึงในหมู่บ้านก็จะชอบชวนกันไปขี่มอเตอร์ไซค์เที่ยวแถวหมู่บ้านหรือว่าไปหมู่บ้านอื่นช่วงเวลาหลัง เ, เลิกเรียนนะคะซึ่งบางครั้งนะคะยังแอบพ่อกับแม่ขี่ออกไปเที่ยวตอนดึกก็มีเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยกำลังวัยรุ่นก็เลยกําลังเกเรมีอยู่วันหนึ่งค่ะเพื่อนของคุณตังเม เ, เขาก็โทรมานัดบอกว่าจะออกไปหาพี่สาวที่เพิ่งจะออกจากโรงพยาบาลพี่สาวเพิ่งคลอดลูก ก็เลยจะไปดูพร้อมกับไปผูกแขนรับขวัญหลานนะคะประมาณเกือบสองทุ่มค่ะคุณตังเมและก็เพื่อนก็เดินทางออกจากหมู่บ้านโดยที่คุณตังเมเป็นคนขี่แล้วก็มีเพื่อนเป็นคนซ้อนนะคะหมู่บ้านของพี่สาวอยู่ห่างจากบ้านของคุณตังเมไปก็ประมาณ5กิโลเมตรก็ไปถึงแบบไม่ค่อยรีบคือเอาง่ายๆคือขี่ชิวๆขี่ไปเรื่อยๆค่ะก็ค่อยๆขี่ จะบอกว่าเส้นทางสมัยก่อนนี่ถ้าย้อนกลับไปสักราวสักปีสองพันห้าร้อยสี่สิบกว่าๆนะคะมันก็จะแบบเป็นอะไรที่รกนะ ไม่ค่อยจะเจริญสักเท่าไหร่คือถ้าหากว่าใครที่ฟังแล้วเป็นคนอีสานหรือว่าเป็นคนต่างจังหวัดอคนเหนือคนใต้คนอะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นคนต่างจังหวัดนี่คือจะรู้เลยว่าถนนมันจะเปลี่ยวมากแล้วก็จะไม่ค่อยเจริญเหมือนสมัยปัจจุบันนี้นะคะคือจะเป็นป่าสลับกับทุ่งนาคือนานๆทีจะเจอหมู่บ้านก็ขี่กันไปคุยกันไปหัวเราะ ก, กันไปเรื่อยๆตอนนั้นเนี่ยเขาไม่ได้กลัวอะไรจนสักพักหนึ่งคุณตังเมย์ก็กวาดสายตาไปมอง ตามไฟหน้ารถไปก็เหมือนเห็นกับผู้ชายแก่ๆคนนึ่งกำลังจะเดินจากข้างถนนมาบนถนนแต่แต่ว่าเห็นไกลๆเลยนะเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นทุ่งนาก็เลยขี่ไปใกล้จนผู้ชายแก่คนนั้นเนี่ยสิ่งที่เห็นคือผู้ชายคนนะั้ล้มตัวลงกับพื้นแล้วก็คลานบนถนนความรู้สึกตอนนั้นมันเหมือนกับว่าตัวเองขี่รถช้ามากไปไม่ถึงตัวของผู้ชายคนนั้นสักทีแล้ว เราก็ต้องตกใจสุดขีดเลยนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าคุณตังเมบอกว่าเริ่มเห็นร่างของผู้ชายคนแก่คนนั้นเนี่ยมีแค่ครึ่งตัวบนเท่านั้นแล้วก็ช่วงที่ขี่ผ่านตัวผู้ชายแก่คนนั้นนี่คือแบบว่าใกล้มากคือเขาพยายามจะเอื้อมมือมาจับขาพร้อมกับพูดว่าไปด้วยคือเสียงประมาณนี้แล้วแบบหลอนมากคือคุณตังเมย์กับเพื่อนนี่ก็ต้องบอกโอ้โหเสียงหลงล้องเสียงลงกรี๊ดซะนั่นคือช่วงที่ขี่ผ่านชายแก่คนนี้ ก็มีรถมอเตอร์ไซค์อีกคันหนึ่งแล่นผ่านตัวชายแก่คนนั้นไปดือด้อแล้วพอแบบคุณตังเมแล้วก็เพื่อนหันไปหันไปมองไม่เห็นผู้ชายแก่คนนั้นแล้วก็เลยงงว่าตกลงที่เห็นเมื่อกี้คืออะไรแล้วก็พูดกับเพื่อนว่ามึงเมื่อกี้คนหรือเปล่าเขาโดนรถชนหรือเปล่าวะเราต้องไปช่วยเขาไหมคือเพื่อนก็รีบสวนกลับมาว่าอยยุ้ยเฮียขนาดนี้มึงยังคิด ว่าเป็นคนอีกหรอถ้ามึงเลี้ยวกับกูจะเควี่ยงโทรศัพท์มึงทิ้งเดี๋ยวนี้เลยนะจากนั้นก็เลยรีบขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปจนถึงบ้านของพี่สาวเพื่อนคือไปถึงก็เลยพากันวิ่งเข้าไปในบ้านร้องไห้ตัวสั่นจนพี่สาวกับแม่เพื่อนนี่ถามว่าเป็นอะไรไปทําอะไรมาก็เลยบอกบอกว่าโดนผีหลอกเขาก็เลยยิ่งไปสักพักก่อนจะถามว่าพวกเธอขี่รถมานี่ได้บีบแต ร, บ, ตร บ, บอกสารไหมเราก็ลึกนึกอ่าคุณตังเมย์ก็เลยบอกนึกในใจอยู่สารมันอยู่ตรงไหนวะทําทไมเราไม่เห็น เขาก็บอกว่าเจอกันมาหลายคนแล้วเออคุณตังเมก็บอกไม่ได้ฟังอะไรคือนั่งร้องไห้อย่างเดียวไม่กล้ากลับบ้านก็เลยโทรให้พี่ชายมารับสักพักพี่ชายมาถึงก็เลยเล่าให้พี่ชายฟังอีกแล้วก็ลาพี่สาวเพื่อนกับแม่ของเขาเสร็จสับถึงตอนนั้นพี่อ่าพี่ชายของเราก็บอกว่าให้นั่งกันเต็มเเบาะนะอย่าเหลือที่ว่างเดี๋ยวจะมีอะไรมาซ้อนได้ส่วนพี่ชาย เขาก็มากับเพื่อนก็ให้เพื่อนซ้อนท้ายมาด้วยขากลับก็เลยขี่ตามพี่ชายเห็นพี่ชายบีบแตรตรงที่ที่ ท, ที่ที่เขาเห็นผีกันอะ่ะก็เลยลองสังเกตดูข้างทางรอบๆเลยไประยะหนึ่งอ๋อมีสารไม้ใหญ่เบ้อเร่เลยแต่ที่ต้นไม้เนี่ยมันมันลกบังหน้าสารอยู่พอสมควรก็เลยบีบแตรตามพอถึงบ้านแม่กับพี่ชายรุมบ่นยกใหญ่เลยสำนึกผิดแทบไม่ทัน ด้ียว่าเหตุการณ์นี้นะคะคุณผู้ฟังทำเอาคุณตังเมนี่เข็ดไปอีกนานเวลาเดินทางดึกๆดื่นๆก็ไม่กล้าจะคุยกันจนลืมสังเกตสารข้างทางเลยล่ะค่ะ มาต่อกันที่เรื่องแปลกๆจากทางบ้านกันนะคะโดยคุณเลิฟค่ะส่งเข้ามาทาเพจของเรานะคะบอกว่าช่วงซัมเมอร์สมัยเรียนปี2นะคะวิชาช่างสำรวจนะคะทางมหาวิทยาลัยนี้ได้บังคับให้ทุกคนต้องฝึกงานนอกสถานที่ถึงจะจบหลักสูตรทางคณะก็เลยจัดให้นะคะพวกเราไปฝึกงานที่วัดป่าแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งทางหลวงพ่อของวัดป่าแห่งนี้ก็มีความต้องการจะสร้างอ่างเก็บน้าเพื่อใช้ในวัดค่ะ แล้วก็หมู่บ้านใกล้เคียงนะคะโดยพอไปถึงพอวันเดินทางนะคะก่อนออกเดินทางอาจารย์ก็ได้แบ่งแบ่งให้เป็น5กลุ่มกลุ่มละ78คนโดยมีช่างเทคนิคประจํากลุ่ม1คนแล้วพอไปถึงก็จะมีลูกหาบที่เป็นคนพื้นที่หรือว่าชาวพามา่าชาวกะเหรี่ยงนะคะคอยช่วยแบกอุปกรณ์อีกกลุ่มละ1คนอาจารย์ได้กําหนดเป้าหมายขอบเขตแล้วก็แบ่งส่วนการทํางานอย่างชัดเจน ทุกคนดูตื่นเต้นกับงานที่จะได้ออกภาคสนามจริงกันมากเลยนะคะเมื่อเดินทางมาถึงวัดป่าอาจารย์ก็ได้จัดแจงแบ่งที่นอนให้คือผู้หญิงกับอาจารย์จะนอนกันบนสาราวัดซึ่งมีห้องน้ำในตัวมีพัดลมเรียกว่าสะดวกสบายกว่าผู้ชายเลยล่ะคะ่ะเพราะว่าผู้ชายเนี่ยเขาจะต้องการเต็นท์นอนกันตรงพื้นที่โล่งแจ้งหลังวัดนะคะใกล้ๆ ก, กับที่เก็บกระดูกคนตาย แค่คิดก็ภาพก็แบบลอยเข้ามาในหัวแล้วนะว่าเป็นสถานที่แบบไหนคือหลังจากที่จัดแจงเรื่องที่พักเสร็จสับหลวงพ่อก็ได้เรียกเราไปให้ศีลให้พรพร้อมทั้งกล่าวบอกว่าก่อนนอนเนี่ยก็สวดมนต์แผ่เมตตาเผื่อสัตว์ร้ายต่างๆจะได้ไม่มาทำอันตรายด้วยนะเริ่มงานวันแรกคุณเลิฟบอกว่าทุกคนสดชื่นแจ่มใสคึกคักกันมาก ออกเดินทางขึ้นเขาไปสำรวจกันตั้งแต่เช้าเดินกันไปเล่นกันไปคุยสนุกสนานทำงานอย่างตั้งใจแต่แล้วตอนขากลับ เหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นคือเพื่อนของคุณเลิฟคนหนึ่งเนี่ยเดินอยู่ดีๆก็พลัดตกข่าลงไปซะอย่างนั้นดีที่ตัวไปติดกับต้นไม้ไม่หล่นไปถึงข้างล่างทุกคนก็เลยช่วยกันดึงขึ้นมาอย่างทุลักทุเลเนื้อตัวก็ถลอกปอกเปิกเลือดอาบทีเดียวพอถึงที่พักก็ทำแผลเสร็จเพื่อนๆก็ถามว่าตกลงไปได้ยังไงเดินตามกันมาอยู่ดีๆเพื่อนก็เลยบอกไม่รู้เหมือนกันก็เดินๆอยู่แล้วเหมือนมีใครผลักกระเด็นกลิ้งลงไปเฉยเลยทุกคนก็เลยงง แล้ววันนั้นแล้วในวันนั้นนั่นเองนะคะเพื่อนๆจากกลุ่มอื่นที่กลับกันมาก็บอกว่าเจอเหตุการณ์แปลกๆเหมือนกันทั้งนั้นบางคนโดนพึ่งต่อยบางกลุ่มหลงป่าจนไม่ได้งานกันเลยก็มีอาจารย์ก็ได้สรุปเอาว่าอาจเป็นเพราะแปลกที่ไม่คุ้นเคยเลยเกิดอุบัติเหตุต่อไปก็ให้ใช้ความระมัดระวังให้มากๆใครจะไปไหนทําอะไรต้องมีเพื่อนไปด้วยเสมอเหตุการณ์ก็เหมือนจะสงบขึ้นนะคะ วันต่อมาค่ะคุณเลิฟแล้วก็เพื่อนๆก็ทำงานกันตามปกติเก็บข้อมูลวัดระดับตามจุดต่างๆพอตกกลางคืนก็กลับมาเขียนแผนที่อ๋ อ, อคุณเลิฟ บ, บอกว่าลืมบอกไปว่าที่วัดป่าแห่งนี้พอถึงเวลาสองทุ่มไฟจะถูกปิดหมดเพราะว่าไฟฟ้าเข้ามีถึงมีเพียงเครื่องปั่นไฟซึ่งเอาไว้ใช้ในยามจำเป็นเท่านั้นนะคะกลุ่มนักศึกษาก็ต้องจุดเทียนพรษา เพื่อที่จะเขียนแผนที่ดูลำบากลำบนพิกลนะคืนนั้นนะคะหลังจากที่เขียนแผนที่เสร็จก็ราเๆเที่ยงคืนได้ค่ะต่างคนต่างก็แยกย้ายกันไปนอนทีนี้มันก็มีพวกเพื่อนที่เป็นขาเฮลเนี่ยชอบลองดีได้นัดแนะเพื่อนๆอีก4ี่ห้าคนค่ะไปเล่นผีถ้วยแก้วกันหลังเต็นท์สุดท้ายที่อยู่ใกล้กับที่เก็บกระดูกนะคะคุณเลิบ ก, ก็อยากรู้อยากเห็นนะคะก็เลยตามไปดูเพื่อนหัวโจกมันก็เริ่มเล่าประวัตินะคะบอกว่า รู้หรือเปล่าห่างจากวัดป่านี้เนี่ยไปไม่กี่กิโลมันเป็นที่ฝังศพของเชอร r y ี่แอนเชอร์รี่แอนก็คือคนที่ถูกข่มขืนเน่นะคะหรือว่าเชอร r y ี่แอนดันแคนที่เป็นคดีฆาตกรรมใครอยากทราบประวัติก็ลองไปค้นเอาดูใน Google นะคะและที่นี้นะคะเพื่อนหัวโจกคนนั้นก็เริ่มทำพิธีเชิญวิ ญ, ญญาณเชอร r y ี่แอนมาลงถ้วยคุณเลิฟ ก, ก็นั่งดูอยู่ห่าง มันก็ถามคําถามต่า ง, า ง, างนาๆนานไปเรื่อยเปื่อยแถมแก้ววิ่งไปเรื่อยๆก็เลยคิดในใจว่าไอ้พวกนี้มันดันถ้วยแก้วนี่หว่าเพราะว่าคุณเลิฟเขาบอกไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ก็เลยนั่งดูไปเรื่อยก็เลยเริ่มง่วงเลยลุกเดินกลับเต็นท์ไปนอนก่อนพราะกําลังเคลิมใกล้จะหลับได้ยินเสียงโ ว, วกเวกโวยวายกันสะอังงนเลยรีบออกจากเต็นท์มาดูที่เกิดเหตุคือบริเวณที่เล่นผีถ้วยแก้วนั่นแหละค่ะ เห็นเพื่อนคนนึงนอนตัวบิดอยู่กับพื้นดิ้นไปดิ้นมาพูดจาไม่รู้เรื่องพวกที่เล่นด้วยเนี่ยก็พยายามช่วยกันจับแขนจับขาพอดีว่าอาจารย์ก็ตามมาสมทบแกบอกว่าให้เอาผ้าขนหนูยัดปากมันซะสงสัยจะเป็นลมบ้าหมูทุกคนก็ช่วยกันแล้วก็รีบถามเพื่อนคนนั้นขึ้นรถไปส่งที่โรงพยาบาลพอสอบถามเพื่อนๆนที่อยู่ด้วยกันก็บอกว่าอยู่ดีๆมันก็ลงไปดิ้นเองไม่รู้เป็นอะไรพอเรื่องที่เล่นผีถ้วยแก้วรู้ไปถึงหูอาจารย์ก็โดนตําหนิกันยกใหญ่เลยทีเดียว หลังจากคืนนั้นค่ะทางคณะก็เลยเหมือนโดนคำสาปงานทุกอย่างหยุดชะงักหมด ฝนหลงฤรือดูกระนำลงมายัางไม่มีปีมีกลุยออกไปสำรวจไม่ได้ต้องติดแงกอยู่ในวัดป่าพอฟ้าเปิดออกไปทำงานเครื่องมือก็ดันพังพร้อมๆกันอีกกล้องอินฟราเรด3ตัวคือใช้งานไม่ได้ใช้กล้องธรรมดามาส่องซึ่งมันก็เสียเวลามากนะคะและความคลาดเคลื่อนก็สูงอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นรายวันบางคนนี่เริ่มป่วยกระสาะกระแสแบบไม่มีสาเหตุการงานเสียหมด เหลือเวลาอีกไม่นานก็จะครบกําหนดแล้วแต่ว่างานยังไม่คืบหน้าทุกคนต้องทํางานกันหนักขึ้นออกสนามแต่เช้ากลับช้ากว่าเดิมอาจารย์แล้วก็ช่างเทคนิคต้องลงมาช่วยทํางานด้วยจากวันนั้นมาจนถึงวันนี้แต่และกลุ่มเหลือคนทํางานน้อยลงน้อยลงเพราะว่าส่วนใหญ่ไปนอนอยู่โรงพยาบาลในเมืองกันหมดด้วยอาการป่วยแปลกๆอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้นะคะแต่และเหมือนโชคจะเข้าข้างพวกเราบ้าง หลวงพ่อมาบอกพวกเราบอกว่าทางจังหวัดเนี่ยจะลงมาทำเรื่องนี้เองเพราะว่าได้งบมาแล้วให้พวกเราพอแค่นี้ก่อนขอแผนที่และก็ข้อมูลทั้งหมดที่สำรวจมาส่งให้ทางจังหวัดไปทำต่อส่วนเวลาที่เหลือก็ขอให้พักผ่อนกันไปพวกเราทั้งหมดก็เลยแทบจะร้องชหยโยด้วยความดีใจคุณเลิบบอกว่าเย็นวันนั้นอาจารย์ที่สั่งอาจารย์ก็สั่งแม่ครัวให้ทาอาหารเลี้ยงกันทั้งแคมป์ ก็พวกเรา ก, กินกันอย่างสนุกสนานลืมเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดไปซะสนิทจนเวลาสี่ทุ่มทุกคนก็แยกย้ายกันเข้านอนแต่แล้วฝนเจ้ากรรมมาจากไหนก็ไม่รู้คือสาดกระหน่าใส่เต้นจนปลิวว่อนน้นําจากเขาก็เทลงมาจนเปียกชุม่มนอนกันไม่ได้หลวงพ่อก็เลยให้ไปนอนรวมกันบนศาลาแต่ด้วยศาลาของวัดป่าคือมันไม่ได้ใหญ่มากไงบางส่ว น, นก็ต้องกระจายนอนตามกุฏิพระหรือโรงทานบ้างมีคุณเลิฟ ก, กับรุ่นพี่สองสาคนต้องระเหิดไปนอนในถ้ำ ที่ใช้เก็บพวกเทียนพรรษาหรือว่าของใช้สงพระพุทธรูปก็เลยจัดแจงอัคกาอีพลาสติก2ตัวมาต่อกันนอนตามมีตามเกิดนะคะข้างนอกฝนก็กระหน่าไม่หยุดทำให้อากาศในถ้ำนี่คือหนาวเย็นเยอือกต้องนอนกอดอกกันตัวสั่นเป็นลูกนกตกน้ำ จนคุณเลิฟเขาบอกว่าเขาเผลอหลับไปแต่เมื่อใดก็ไม่รู้แต่ว่าก็ต้องถูกปลุกขึ้นด้วยเสียงเหมือนคนหัวเราะดังก้องอยู่ในถ้ำคือค่อยๆลืมตามองแสงไฟจากเทียนมันสาที่จุดหลายเล่มทําให้มองเห็นอะไรในถ้าได้ชัดเจนคือมองไปที่ผนังถ้าเหนือหัวเนี่ยกลับรู้สึกว่าเหมือนเป็นเป็นหน้าคนคล้ายรูปสลักหินแต่มันไม่ใช่คือมันค่อยๆ ย, ยื่นออกมาจากผนังด้านบนยืดลงมาจนใกล้หน้าแล้วก็หัวเราะใส่หน้าอย่างดัง คุณเลิฟตกใจมากรวบรวมพลังทั้งหมดลุกขึ้นจากเก้าอี้พลาสติกมานั่งหายใจหอบใจเต้นรัวพอตั้งสติได้มองไปซ้ายแล้วก็มองไปขวาก็เห็นรุ่นพี่แล้วก็เพื่อนๆนลุกขึ้นมานั่งเหมือนกันหมดคือต่างคนต่างมองหน้ากันนะคะแล้วรุ่นพี่ก็ถามว่ามึงเห็นเหมือนกันไหม เท่านั้นแหะค่ะเป็นอันรู้กันว่าทุกคนนี่รีบวิ่งออกจากถ้าโดยไม่ได้นัดหมายฝ่าสายฝนไปนั่งเบียดกันที่ศาลานั่งสับประงกกันจนถึงเช้าเลยทีเดียวพอเช้านะคะต่างคนต่างเล่าสิ่งที่ตัวเองเห็นเมื่อคืนในถ้ำให้ฟังนะคะสรุปว่าทุกคนเห็นเหมือนกันหมดมันเหมือนจะเป็นความฝันมากกว่าแต่ก็แปลกที่อยู่ดีๆทําไมถึงมาฝันเหมือนกันหมดทุกคนได้เรื่องนี้ยังคงเป็นปริศนาจนถึงทุกวันนี้ค่ะ รวมเวลารวมรุ่นนะคะก็มักจะพูดถึงเรื่องนี้เสมอแต่พอเช้าวันสุดท้ายถึงกำหนดกลับทุกคนก็รวมตัวกันกราบลาหลวงพ่อหลวงพ่อท่านก็ให้ศีลให้พรตามระเบียบแต่ว่าก่อนกลับนะคะหลวงพ่อบอกความลับกับพวกเราว่าเมื่อก่อนที่จะสร้างวัดป่าแห่งนี้ที่นี่เคยเป็นสุสานรไรยาดมาก่อนมีคนเอาศพมาเผามาฝังในบริเวณนี้มากมาย ตอนอาตมามาหมุกเบิกใหม่ๆบางครั้งยังเคยเห็นหมาคาบกระดูกคนมาแทะเล่นเลยวันดีคืนดีเห็นคนหัวขาดเดินไปเดินมาแต่อาตมาไม่กลัวหรอกแผ่เมตตาให้เขาไปพวกเราไม่ได้ฟังอย่างนั้นคือต่างกาขนลุกเกลียวแล้วก็ร้องขึ้นมาพร้อมกันว่าอ้าวหลวงพ่อทำไมไม่บอกแต่แรกหลวงพ่อท่านก็บอกแค่ว่าไม่อยากบอกเดี๋ยวไม่เป็นอันทํางานกันเราก็อยู่ส่วนเราเขาก็อยู่ส่วนเขาไม่เกี่ยวกัน แล้วท่านก็หัวเราออกมาคือหลังจากกราบลาหลวงพ่อเรียบร้อยก็แยกย้ายกันเก็บข้าวของเครื่องมือขึ้นรถบัสของคณะที่วนมารับตามเวลาแล้วก็เล่าเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่เกิดขึ้นอีกอแต่แล้วก็มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นอีกครั้งคือหลังจากทุกคนขึ้นรถนั่งประจําที่กันแล้วนะคะกําลังรอคนขับรถมาจู่ๆรถบัสที่จอดใส่เบรกมือไว้เกิดไหลค่ะ ซึ่งที่จอดรถมันเป็นทางลาดลงเขาซะด้วยทีนี้ละถึงเวลาสละยานทุกคนกระโดดลงรถหนีตายกันอุตลุดเคราะดีที่มีรุ่นพี่คนหนึ่งแกมีสติวิ่งไปที่คนนั่งคนขับเหยียบเบรกแล้วก็ใส่เกียร์ไว้ได้ทันรถก็เลยหยุดได้คืองานนี้เล่นเอาใจหายใจคว่ำกว่าจะกลับมากันได้นี่แทบจะเอาชีวิตไปทิ้งไว้ที่วัดป่าซะแล้ว เหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะคะคุณเลิบบอกว่าไม่รู้ว่าเกิดจากความบังเอิญความประมาทหรือสิ่งลี้ลับกันแน่ก็สุดที่จะคาดเดาได้แต่ถ้าจะให้กลับไปที่วัดป่าแห่งนี้อีกคุณเลิฟบอกว่ากลับไปได้นะแต่ว่าไม่นอนค้างคืน